จำเป็นในการละกามกล่าวถึงจุดประสมของปฏิโกณมนสิการบัพเท่าที่กล่าวในข้างต้นคงไม่เพียงพอเพราะจะเจอคำถามยอดนิยมคือถ้าไม่เสพกามแล้วมันจะสนุกอะไรจะมีชีวิตต่อไปทำไมอันนี้ก็ต้องตอบตัวเองได้แต่ต้นมือว่าเรามีมุมมองชีวิตในพุทธศาสนาเพื่อพ้นทุกข์ไม่ใช่ชาวพุทธที่ยังหวง หรือรักษาเหตุแห่งทุกข์เอาไว้แม้ว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นจะมาในรูปของความน่าติดใจเพียงใดก็ตามเราเกิดพร้อมกับเครื่องมือทางกรรมร้อยรัดจิตตั้งแต่หัวจรดเท้าแรงดึงดูดจมลงติดแช่อยู่ในวังวนทุกข์จึงไม่มีอะไรหนักหน่วงเกินกามผู้ปรารถนาความหลุดพ้นแห่งจิตธรรมดาอยู่เองก็ควรจะเล็งเห็นว่าปลดพันธนาการนี้เสีย ชนิดเข้าขั้นคอขาดบาทตายถ้าเป้าหมายสูงสุดคืออยากออกจากทุกข์จริงๆอะไรขวางทางก็ต้องจัดให้สิ้นไม่ฉะนั้นจะต้องติดอยู่จะเดินต่อก็คงไปไม่ถึงไหนเลราโดยรวบรัดก็คือเราจำเป็นจะต้องละความอยากในกามลงเพื่อบำเพ็ญเพียรได้นานพอนานพอสำหรับอะไรสำหรับการทำใจให้สงบลงได้เพื่ออะไร เพื่อให้มีกำลังแก่กล้าถึงขั้นพิจารณาเห็นกายใจตามจริงกระทั่งสามารถปล่อยวางระดับเอามักเอาผลกันหากว่าวันวันยังวนกลับไปหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่ในกามใจก็คงมีแต่ความรู้สึกอยากความรู้สึกยึดความรู้สึกความรู้สึกที่หลงเช่นผู้ที่มีเช่นเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคตรัส มาคันธิยพราหมว่าดูกระคันธยะการเศษุกามเปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวอันสุกอันหนอนชายฟอนกินอยู่ข้างในบุรุษนั้นเกาปักบุรุษนั้นเกาปากแผลอยู่ด้วยเล็บย่างกายให้ร้อนที่ลลงฐานเพลิง เป็นเช่นนั้นจริงๆการเสพกามนั้นก็เหมือนการเกาแผลที่กำเริบขึ้นเสพแล้วบรรเทายากทุเราความคันลงได้ชั่วครู่แล้วพักตัวเริ่มกำเริบและลอกต่อไปสำหรับพระพุทธองค์ผู้ปฏิบัติตนพ้นจากความครอบงำแห่งกามแล้วท่านเปรียบพระองค์เองกับผู้ที่เป็นโรคที่รักษาตัวจนหายขาดเมื่อย้อนกลับมาเห็นผู้ที่แสดงอาการแสบคัน ก็ต้องเอามือเก่าแผลวุ่นอยู่แต่มีความอเนตอนาดเมื่อคันธยาปรามโทลว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่ยินดีในกามพระองค์จึงตรัสเทียบว่าผู้หายจากโรคจะยินดีในโรคและอาการของคนเป็นโรคได้อย่างไรโรคเรือนนั้นไม่อาจรักษาหายด้วยการเก่าโดยผิวเผินเหมือนยิ่งเก่ายิ่งมัน แต่ที่แท้กาลังสร้างเหตุเพิ่มความเจ็บแสบไม่รู้จักหยุดจักหายทางที่ถูกก็คือเลิกเกาเสียแล้วรับยากินยาทาจากหมอรักษาตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจริงจะหายขาดกามก็เช่นเดียวกันไม่อาจถอนความอยากด้วยการเสพต่อต้องละต้องเลิกทั้งด้วยความตั้งใจและด้วยอุบายที่เป็นควบกับสมน้ำสมเนื้อกัน น้ำพระทัยของพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแนะนำให้ลดา ก, กามหรือกระทั่งห้ามพระในธรรมวินัยให้เลิกขาดจากในทุนธรรมนั้นก็ไม่ใช่ปล่อยตามมีตามเกิดทรมานการแบบมันจุกอกการตามยถากรรมแต่พระองค์ให้สูตรสาเร็จที่ให้ผลแน่นอนไว้ด้วยดังเช่นบทที่ว่าว่าด้วยปาิกูลมนสิการนี้ ผู้มีศรัทธาเชื่อฟังปฏิบัติตามพระองค์โดยดีย่อมไม่อยู่อย่างลำบากแม้ประศจากในถทุนธรรมปัญหาคือกามอันเปรียบเหมือนโรคเรื้อนทางใจมีเสน่ห์ยิ่งเก่ายิ่งมันจมอยู่กับมันนานจนฝังอยู่ในความเชื่อเสียแล้วว่าไม่ใช่โรคเป็นของดีของสนุกเห็นแผลแล้วชอบถ้ายิ่งแผลสดแผลใหญ่เท่าไหร่ ในสายตาก็ยิ่งดูดีหน้าเกาเท่านั้นขั้นแรกจึงจำเป็นต้องชี้แจงเปลี่ยนแปลงมุมมองเสีใหม่ให้เห็นว่าแผลสดตามร่างกายของเราเลวร้ายและการเกาก็เป็นการเก็บโรคไว้เลี้ยนไข้ไว้ไม่ใช่ของดีแต่อย่างใดเมื่อนั้นคนไข้จึงจะเริ่มมานะแข็งใจยุติการเกาและก็พลักพร้อม เพียงพอที่จะเริ่มต้นรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องต่อไปสรุปง่ายๆว่าการราคะเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของการปฏิบัติธรรมถ้าคิดว่าเรากําลังเป็นโรคทางใจหลายชนิดก็ต้องมองว่าการราคะคือโรคร้ายแรงที่จําเป็นต้องรักษาให้ทุเลาลงก่อนโรคอื่นๆดังจะเห็นว่าพระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของการบ่อยสุดและมักจะให้แนวทางรักษากําจัด ยับยั้งไวหลากหลายทั้งในหมวดของกายเวทนาจิตและธรรมในสติปัฏฐานสี่ยังไม่นับอุบายในพระสูตรอื่นๆตลอดทั่วทั้งพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่เราควรดูเบาหรือเห็นเป็นศัตรูง่อยเปลี้ยที่ไม่จําเป็นต้องให้ความสําคัญความจําเป็นต้องอาศัยการพิจารณากายเป็นของโสโครก ข้อที่จริงประการหนึ่งเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์คือมีอาการทางจิตที่พล่านไปฟุ้งไปอันมาจากแรงขับต้นทางเพศขออภัยค่ะมาจากแรงขับดันทางเพศจะรู้สึกจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็ตามพูดง่ายที่สุดคือเพราะยังห่วงกายและห่วงกรรมเลยต้องฟุง้งต้องยึดมั่นถือมั่นอยู่ไม่รู้รอด ให้นานแค่ไหนก็เวียนอยู่ในวงวนนี้นี่เองเมื่อตระหนักว่ากายอันเป็นสมบัติติดตัวมาแต่เกิดนี้คือบอกเกิดแห่งกรามราคะความกำหนัดใคร่ยากทั้งปวงจึงชอบแล้วที่จะเห็นด้วยปัญญาว่าควรใช้กายนี่แหละเป็นอุปกรณ์ดับความอยากดังกล่าวแบบย้อนสอนคืนความพึงใจหรือ มีความโน้มเอียงอยากจะเสพกรามนั้นจะมาจากอะไรถ้าไม่ใช่ความหมายมั่นหรือความรู้สึกจากส่วนลึกว่ากายมนุษย์นี้ดีเป็นของหอมของสะอาดของนุ่มนิ่มน่าใกล้น่าสัมผัสหากกลับมาหากว่ากลับความหมายมั่นนั้นเสียใหม่ได้คือเห็นกายเป็นของไม่ดีเป็นของเหม็นของสกปรกของ สากกระคายชวนขยะขยะแยงไม่น่าแตะแม้ด้วยเท้าของเราก็เท่ากับเอาชนะการได้ชนิดออกมาจากทั้งส่วนตื้นและส่วนลึกทีเดียวถ้าใครอยากกอดเข้าไปลงจินตนาการดูว่าใครเอาอึอและชีที่เหม็นร้ายกาศมากองไว้ตรงหน้าให้เห็นจัดจัก แล้วหุ้มหอ ด, ด้วยหนังอบ ก, กลิ่นอย่างดีพลางตามิดชิดทำให้เห็นเป็นรูปหอมทำให้เห็นเป็นรูปหมอนข้างสุดท้ายบังคับให้นอนกอดทุกคืนจะเอาไหมก็ไม่เอาแน่นอนและนั่นก็คือคำตอบว่าทำไมต้องเอาความจริงเกี่ยวกับกายในแง่ความโสโโรคมาพิจารณามาเล็งรู้ให้จิตฉลาดขึ้นกว่าเก่า กายมนุษย์อุดมไปด้วยของโสโครกทั้งอึและฉี่จริงๆบวกกับอะไรอื่นๆอีกทั้งเหม็นทั้งสกปรกยิ่งกว่านั้นอีกแต่ธรรมชาติพลางไว้บดบังซ่อนเร้นไว้จากสายตาและความรับรู้ของเราเราจึงกอดใครต่อใครรวมทั้งเช่นชมตัวเองว่ามีกายอันสง่าโสภากว่าสัตว์ชนิดใดๆได้อย่างเต็มใจปฏิโกณ มนสิการบัปคือการกลับความเน่าในออกมาแฉคือแทนการถูกหลอกเส้นแต่แรกให้ดูหมอนข้างอันห่อหุ้มดีแล้วด้วยหนังหอมก็ลอกเปลือกออกให้หมดดูว่าในหมอนข้างนิ่มๆ น, นั้นนิ่มด้วยอะไรยัดทนานอยู่ด้วยอะไรนุ่นสำรี หรือน้ำเหลืองมันข้อนอุจราปสวนานาพันอยังไรก็ตามแม้เห็นความสำคัญของปฏิกูลมนสิการบัตรที่เอาไว้ต่อก่อนกับหัวนหน้ากิเลสตัวต้นต้นอันขี้แพ้คี้ชนะอย่างนี้แล้วบางทีนักภาวนาก็ยังเลตัดสินใจเลือกกันอยู่ว่าจะเอาหรือไม่เอาดี โอสดรักษาโรคเรื้อนสูตรนี้ของพระพุทธเจ้าแม้แต่ในหมู่นักภาวนาที่ประสบผลสำเร็จเองก็ยังมีการถกธรรมปฏิบัติในแง่ที่ว่ามีความจำเป็นแค่ไหนกับการพิจารณากายเป็นของหน้ารังเกียจหรือมีประเด็นตรงไปตรงมายิ่งกว่านั้นกอจะบรรลุมรรคผลได้ จำเป็นจะต้องผ่านการพิจารณากายเป็นปฏิโกรหรืออสุภาษิตก่อนหรือไม่เหตุผลหลักๆที่มักจะนำมาแลกเปลี่ยนหรือคัดงานกันก็เช่นที่บางฝ่ายเห็นว่าการเห็นกายเป็นของหน้ารังเกียจน่าจะอยู่ในระดับสมถะเท่านั้นไม่น่าจะถึงขึงถึงขั้นวิปัสนาหรือบางท่านมองว่ามีอริยบุคคลจำนวนมาก ที่ถึงมรรคผลโดยไม่ต้องลำบากแค่พิจารณาทำด้วยสติเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอสมควรก็ทะลุรอดปลอดภัยกลายเป็นอริยบุคคลไปได้เพื่อความเป็นกลางขอให้พิจารณาอย่างนี้คือเรามั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าไม่มีที่ไหนเลยที่ระบุว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่นั้นควรเสพกาม ควรติดใจในกามหรือควรยกย่องกาล ม, มีแต่บอกว่ากามเป็นปฏิปักษ์ต่อมรุผลไม่เคยมีใครที่จะกําลังเพลิดเพลิอนอยู่ในกามหรืออยู่ในช่วงที่ใจจอ่ออยู่กับกามแล้วถึงมรุผลมาก่อนเนื่องจากกามเป็นธรรมที่มีกําลังดึงดูดจิ ต, ตรุนแรงและเหนียวแน่นสูงสุดให้ปล่อยวาง หรือว่าหลุดจากความเห็นเป็นตัวเป็นตนขณะจิตยังหลงระเริงในกามจึมีวิสัยเป็นไปได้ต่อให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพทางการภาวนาหรือโน้มเอียงทางการบรรลุธรรมเพียงใดก็ตามถ้าถือตรงนี้เป็นหลักก็ขอให้พิจารณาว่าเรายังหมกบุ้นคลุ่นคิดอยู่แต่ในเรื่องของกามรมรหรือไม่บางคนทําสมถะได้ผล เพียงเจริญอนาปานาสติและเดินจมกรมเกิดปิติสุขเกิดจิตวิเวกก็สามารถระงับความปรารถนาในกามสําเร็จดังที่เคยยกพุทธพจน์มาแสดงไว้แล้วตั้งแต่บทที่สามดูกระภิกษุทั้งหลายสมถตาที่ภิกษุเจริญแล้วย่อมสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมจิตจิตที่อบรมแล้วย่อมสวยประโยชน์อะไรย่อม และราคะได้เมื่อทุเราอาการอยากในกามผลก็ย้อนคืนเหมือนได้ทุนต่อทุน คือจิตยิ่งพร้อมทำงานสมถักให้แกร่งเป็นการเปิดช่องว่างให้จิตเดินวิปัสสนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นไปอีกแต่หากจำเป็นต้องตอบโดยเชื่อว่าใช่เรายังมกมุ่นคุนคิดทวินหาแต่กรรมารมณ์ทุกวันหรือไม่มีสักช่วงใดในหลายๆวันที่ขาดการมได้ แม้เพียงทำสมาธิเดินจงกรมเข้าคมก็สำเร็จเพียงชั่วคราวอันนี้ก็ชัดเจนว่ามรรคผลยังหวังยากอยู่ถัดจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจว่าถึงเวลากินยาหรือยังหากเอาแต่ประมาททึกทักเองว่าสมถะไม่ต้องทำก็ได้การพิจารณากายเป็นปฏิโกณอยู่แค่ระดับสมถะต่ำ ขั้นกว่าวิปัสนาแต่ความปรารถนาในกามยังขังแน่นอยู่เต็มหัวใจเช่นนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ภาวนาที่รู้เส้นทางถูกต้องแท้จริงพบอุปสรรคใดๆก็แก้ด้วยการด้นเดาแทนที่จะขจัดสิ่งกีดขวางหรือว่าต้มทวงก็ปล่อยให้ลุงรังหรือว่าแบกจนหลังแอ่ไว้อย่างนั้น และคิดซ้ำไปซ้ำมาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรลักษณะของจิตที่ละกามตามพุทธวิธีหากปฏิบัติกายานุปัสนามาตามลำดับอย่างน้อยต้องมีทุนรอนเช่นสมาธิจิตและสติสัมปชัญญะบ้างแล้วพอสมควรไม่ใช่จิตนึกคิดสามัญที่ขาดกำลัง ขาดความแข็งแรงค้ำจุนการรู้การพิจารณากายในมิติของความน่ารังเกียจอีกประการหนึ่งถ้าหากว่าฝึกภาวนาตามพุทธวิธีไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเราก็จะมีทุนอีกชนิดหนึ่งคือเรื่องการตั้งมุมมองความเห็นหรือทิฏฐิว่าจะทำเพื่ออะไรเมื่อรู้จุดมุ่งหมายชัดเจนแล้วว่าทำเพื่อละความยินดีในการม ซึ่งมาละได้แล้วย่อมมีจิตใจปลดโปรงเหมือนถางถนนหนทางให้กว้างโลง่งเดินจิตเป็นวิปัสสนาได้ง่ายสะดุกสบายกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าใกลกล้ากล้า ก, กลัวๆอยู่เกรงว่าจะเจอแต่ความหน้าใสอิจเอียนแห้งแล้งหน้าเหม็นนายหน้าเน็ดนายทำให้สุขภาพจิตเสียอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องทำให้อยากอาเจียนเล่น อันนี้ก็ลองมาดูสภาพภายในที่พระพุทธเจ้าตรัสบรรยายไว้ในกายคตาสติสูตรหลังจากได้พิจารณากายตามในแห่งปฏิโกณมณสิการเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพลานที่อาศัยเรือนเชได้เพราะละดำริพลานได้นั้นจิตอันเป็นภายในเท่านั้นย่อมคงที่ แน่นิ่งเป็นธรรมเอกพุดขึ้นตั้งมัน่นผลของการปฏิบัติอยากถูกต้องและเป็นไปตามลำดับ จะให้ผลเช่นนี้จริงๆหากปฏิบัติอย่างอาจฐานรู้ความเน่าเหม็นน่ารังเกียจของกายจนคิดถึงความทิ้งอาการดำริพานในกามได้ที่เหลืออยู่ในใจย่อมประจักษ์เองว่าคือความปลอดโปร่งโล่งตลอดมีแต่ความวิเวกในภายในตั้งมั่นผ่องใสเป็นธรรมเอกได้ในที่สุดแต่หากยิ่งปฏิบัต สุขภาพจิตยิ่งเสื่อมโทมหาผลดีอันใดนี้ได้อันนี้ก็จำเป็นต้องสำรวจว่าทุนของเราจากบับกรกอของกายานุปัสนามีพอจะอุดหนุนหรือยังหรือว่าวิธีกำหนดจิตของเราเป็นอย่างใดระหว่างรู้เห็นตามจริงกับเอาแต่คิดมากสองอย่างนี้ต่างกันมากหากรู้เฉยเห็นเฉยว่าลักษณะความโศโคร ข, ของอวัยวะต่างๆเป็นอย่างนี้ หาได้มีดีน่าใกล้น่าซ่องเศษตรงไหนเท่านั้นก็เป็นอันดับความพลานอยากในกามลงจบหน้าที่ไปก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนสุขภาพจิตแต่หากรู้นิดหน่อยแล้วย้ำคิดจนเหมือนมีภาพผีมาหลอกหลอนโดยขาดหลักคาสติรู้ความเป็นกายปัจจุบันตามจริงอย่างนั้นถึงอาจเป็นปัญหาขึ้นได้ เพื่อให้แน่ใจว่าฝึกปฏิโกณมนสิการบับแล้วจะรับแต่ผลดีก็ควรไล่ลำดับจากคิดแบบอ่อนๆไปจนถึงขั้นเตรียมตั้งรับสภาพน่าสะปลึงกลัวโดวยวิธีทางสมาธิอันประกันว่าจิตพร้อมส่องรู้ด้วยความหนักแน่นเป็นกลางอย่างดีต่อไปความเชื่อมโยงกับบับก่อนหน้าบางคนอาจดวนนึก ว่าเพียงฝึกมาสามแบบรู้ลมหายใจรู้อิรยิยาบถรู้ความเคลื่อนไหวจะเพียงพอแก่การเห็นกายทั้งภายนอกภายในอย่างไรไหวขอให้พิจารณาว่าลมหายใจเป็นสิ่งละเอียดกว่าผมขนเล็บฟันหนังกระดูกและอ ว, วัยวะอันจับต้องได้ทั้งหลายเมื่อใครฝึกตามรู้ได้จนกระทั่งเกิดจิตเห็นลมหายใจชัดอยู่ภายในก็ไม่แปลกเลย ถ้าหากจะใช้จิตอันสมคุณภาพระดับเดียวกันนั้นเข้ารู้เข้าเห็นความเป็นวัตถุหยาบในกายหรือแม้แต่ยังเห็นไม่ได้ขนัดอย่างน้อยก็ใช้อนาปานสติช่วยรู้กายโดยความเป็นปฏิกูลได้ดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสถึงอนิสงของอนาปานสติสมาธิไว้ในทีประสูตรความว่าถ้าแม้นภิกษุพึงรู้ว่าเรา พึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลอยู่ก็พึงมานสิก า, านาปานสติสมาธินี่แหละให้ดียิ่งไปกว่านั้นการรู้ชัดในอุรยาบทต่างๆอย่างต่อเนื่องก็คือการรู้ความเป็นก้อนกายนั่นเองเมื่อรู้ความเป็นกายดีก็ย่อมรู้ตาแหน่งแหล่งที่อวัยวะภายนอกเช่นผมอยู่ส่วนบนสุดขน กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆเล็บอยู่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าฟันอยู่ในปากหนังคือส่วนหุ้มกายทั้งหมดนับแต่หัวจรดเท้าเป็นต้นส่วนการรู้ชัดในความเคลื่อนไหวปลีกย่อยต่างๆอย่างต่อเนื่องก็คือการรู้กายเป็นส่วนๆนั่นเองฝึกไปนานวันก็ย่อมเห็นองคาพยบต่างๆล้วนมีสมบัติเฉพาะ เช่นสั้นยาวอ่อนแข็งแหลมทู่ลักษณะทั้งหมดย่อมถูกประมวลอยู่ในการประมาณรู้ทางจิตแล้วก็นำมาพัฒนาต่อในปฏิกลูมนสิการบับได้เกือบจะทันทีขอเพียงกำหนดถูกสรุปคือถ้าทำสามบับแรกของหมวดกายานุปัสนามาจนชำนานดีพอแล้วก็อย่าวิตกว่าสามบับหลังจะมีความยุ่งยากซับซ้อนเกินวิสัย แต่ประการใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกรงกันว่าจะต้องห้ามทับราคาด้วยการกลั้นใจสร้างความกดดันให้เครียดจะเป็นบ้าเปล่านั้นขอให้พิจารณาว่าเรามีสิ่งชดเชยหรือมีทุนรองแทนการอดอยู่อย่างดีก่อนน่าแล้ว สิการระดับสามัญจิตคำว่าสามัญจิตหมายถึงจิตที่ยังคิดคิดนึกนึกอยู่ก็เอาความสามารถในการคิดนึกของมนุษย์นั่นเองมาสร้างความกำหนดหมายใช่ไหมให้แก่จิตก่อนอื่นอย่าดูเบาว่าจิตคิดนึกสร้างผลสะเทือนเพียงน้อยน้ำหยอลงหินทีละหยดยังทำให้หินกรน่นได้ฉันใดถ้ามันคิดทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง ก็ต้องทำความอยากให้การลดลงในวันหนึ่งจนได้การคิดนึกให้จิตยอมรับว่ากายเป็นอสุภะซอยย่อยให้เป็นอีกสองประเภทใหญ่ๆได้แก่คิดเปรียบเทียบคิดจินตนาการและคิดถึงปัจจุบันผัสสะทั้งสามข้อนี้ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับอาศัยกันและการเกื้อกูลให้เกิดผลสะเทือนโดยรวมร่วมกัน ขอเชิญติดตามรับฟังมหาสติปัฏฐานสูตรต่อจากเมื่อตอนที่แล้วค่ะคิดเปรียบเทียบในพระไตรปิฎกนั้นปรากฏหลายแห่งว่าสาวกของพระพุทธองค์ได้ดิบได้ดีกันมากมาย จากการน้อมเอาอาสุภะภายนอกเข้ามาเปรียบเทียบกับตนตัวอย่างที่มักจะมีการยกมาอ้างถึงกันมากได้แก่เขมาเทริยาประทานอันเป็นเรื่องเล่าจากปากของพิษุนีนามว่าเขมาผู้ซึ่งเดิมเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมีรูปโฉมงามและหลงไหลความงามแห่งรูปตนไม่พอใจการกล่าวร้ายแก่รูปสมบัติ เช่นกายนี้เหม็นเต็มไปด้วยสิ่งโสโปรกด้วยเหตุนี้พระนางเขมาจึงไม่อยากเจ็ดใกล้พระในาศาสนาพุทธซึ่งล่ําลือกันว่าตั้งแง่เกลียดชังกายกันนักนักบวชในพระพุทธาศาสนาถูกสอนให้เห็นกายเป็นของโศ โ, โรครกชวนรังเกียจยิ่งกว่าอะไรหมดและพิจารณาอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเสียด้วยดังที่พระนางเองกล่าบทูลสารภาพผิด กับพระพุทธองค์ในภายหลังว่าหม่อมชันมัวยินดีในรูประแวงว่าพระองค์ไม่ทรงเกื้อกูลจึงไม่ได้มาเฝ้าพระองค์ผู้แสนการุณาและในที่สุดก็ได้มากราบเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ด้วยเหตุที่พระราชสวามีแห่งนางมีความเคารพในพระศาสดา ปรารถนาจะให้พระนางมีโอกาสเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจึงออกอุบายให้นักดนตรีร้องรําทําเพลงพรนน า, นาพระมหาวิหารเวรุวนันอันเป็นที่ประทับแห่งพระพุทธองค์ว่าน่ารื่นรมนักผู้ใด ย, ยังไม่ได้เห็นก็จัดว่าผู้นั้นยังไม่เห็นสวนสวรรค์พระนางเขมาได้ฟังแล้วก็เกิดความปรารถนาได้เสด็จไปชมพระเวรุวนัน แต่ด้วยความเกรงจะต้องพบพระพุทธองค์ผู้เป็นต้นตำรับในการตำหนิรูปกายแห่งมนุษย์พระนางเขมาก็ยังเลือกเวลาเสด็จขณะพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตยามเช้าแต่ด้วยวาสนาเก่าบรรดาให้เข้าไปเยี่ยมชมพระคันธกุดีที่ประทับแผ่พระาศาสดาซึ่งแต่แรกสำคัญว่าว่างเปล่าเนื่องจากเป็นเวลาบิณฑบาต แต่พอเข้าไปก็พบพระพุทธองค์ประทับอยู่ก็เห็นว่าไม่ได้ทรงรูปเศร้าหมองดังคาดตรงข้ามกับมีเปล่งปลังมีความเปล่งปลังอย่างที่พระนางเปรียบเทียบไว้ว่าดังดวงอาทิตย์อุทัยนอกจากนั้นก็ยังเห็นสาวน้อยรูปงามพัดถวายสาวน้อยนางนั้นมีผิวเปล่งปลังดังทองคํารูปหัวตัวตน สัสวยชวนหลงงงงวยไปสิ้นทั้งสรรารพานชนิตีพระนางเขามาตกตะลึงคิดว่าเกิดมาไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนก็จะเคยเห็นได้อย่างไรในเมื่อหญิงงามนั้นเป็นรูปเนรมิตขึ้นด้วยพุทธานุภาพเพราะเดียวเดียวยังไม่ทันสางตะลึงในความโศภาพระนางเขามาเล่า ว, ว่าเห็นหญิงนั้นถูกชราภาพย่ำยี มีผิวพรรณแปลกไปหน้าเหี่ยวฟันหักผมงอกน้ำลายไหลหน้าไม่สะอาดใบหูแข็งกระด้างในตาขาวขนยานไม่งามตัวตกกระทั่วตัวร่างกายสั่นตลอดศีรษะหลังคดมีไม้เท้าเป็นคู่เดินร่างกายสูบผอมรีบไปตัวสั่นเงินงกลม้มลงแล้วหายใจถีที พระนางเคมาเห็นดังนั้นจึงสลดสังเวชขนลุกขนชันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะเกิดปัญญารู้ตามจริงว่า่านชนเท่านั้นที่ติดใจอยู่ในรูปอันโสโครกและมีแต่เสื่อมลงตามกาล เมื่อเห็นพระนางเขมาสลดได้ที่แล้วพระพุทธองค์ยังสำทับซ้ำอีกว่า